ที่ลวงตาบอกว่ารู้ให้ให้รู้สึกที่นีม้มันก็จะสลับกันระหว่างที่เราสมมติว่าเราดูตาเราดูบางทีมันไม่มีสติเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังดู แต่ว่าพอพอมันมีความรู้สึกปุ๊บเนี่ยก็จะไปไปสลับกับว่าเรารู้สึกตัวได้อย่างนี้มันจะสลับกันระหว่างหลงกับรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้ได้ใช่ไหมคะคือมันจะไม่สามารถรู้สึกตัวได้ตลอดเวลามันก็จะบางทีมันก็จะไปคิดคิดแล้วก็ไปดูไปฟังโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่บางทีที่เรา นั่งนิวได้ลมพัดเย็นๆก็มีความรู้สึกตัวอเ น, นี้ย ม, มันมันไม่ใช่เราเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวผิดแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยก็หมายถึว่าเป็นความรู้สึกตัวธรรมดาปกติวันนี้เลยที่ทํางานไม่ผิดพลาดเราทํางานที่ประจําวันเนี่ยที่ที่มีชีวิตประจําวันทํางานไม่ผิดพลาดไม่เหม่อเผอเพลนอย่างเราขายของก็ไม่ทอนเงินผิดผิดถูกถูกม่อมัวก็นั่งคิดอะไรอยู่แล้วทอนเงินผิดพลาดอย่างเงี้ย ของผิดพลาดการที่เราค้าขายถูกต้องตามปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยเรียกว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เป็นความรู้สึกตัวออตามปกตินี่เลยอย่างนี้เรียกว่าปกติแล้วใช่ไหมยเออความเป็นความเป็นปกติเนี่ยคือความรู้สึกตัวอย่างอย่างเป็นปกตินี่เลยยังไม่ได้เมอ เนี่ยบางคนมาฟังธรรมเราแล้วก็นั่งมาะมองคนเมามองอะไรเนี่ยเราก็ดูว่าเมกำลังจะกลับมาทีเมื่อมองเข้าอยู่นี่ยนะแล้วไปกลับมาที่อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัมพัญธยาคือความไม่มีความรู้สึกตัวทุกข์ในปัจจุบันว่ากําลังฟังธรรมกันอยู่กาลังคุยกันอยู่มันก็โต้ตอบพรอมกันอย่างนี้แต่ฟังธรรมอยู่บางทีเมือคิดอะไรไปรูกว่าฟังอยู่นะแต่ความจริงไม่ได้ฟังอยู่เรียกว่าไม่มีสัมพัญธยาอย่างเช่นทำไมเราจะไม่รู้อย่าฟังกันตั้งแต่ตอนเย็นใช่ไหมพอถึงตอนนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่มีสัมญาไ่ สติีกคือไม่รู้ว่าสติว่าข้างในใจเนี่ยไปคิดอะไรอยู่ไปฟังมาตต้องแต่เย็นพูดกับมันต้องแต่ เ, ย, กกตตเ ย, ย็นเนี่ยยันค่ําอ่าไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้ได้ฟังอ่าไม่ได้ฟังอะไรก็หูก็ยีอยู่หน้านี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันเมอไว้เผลอเพลอคะไอยู่ไม่รู้ คือในความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ามีความความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่มารู้สึกความรู้สึกอีกทีไม่ใช่การซ้อนอนตสาปูุงแต่งไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยคือรู้สึกตัวธรรมดาที่ทําอะไรไม่ผิดพลาดฟังหลวงตาพูดอยู่เนี่ยต้องฟังรู้เรื่องหมดแต่ฟัลงตาอยู่เนี่ยนั่งคุยนั่งมาอยู่อธิบายแะ่ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรสมมติไม่รู้เรื่องโมไปคิดอะไรอยู่อันนี้คือเรียกว่าไม่รู้สึกตัวสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวตามปกตินี่เลยอ่บางคนนั่งดูตัวท่มานั่งอยู่แอ่เเดดินไปิน เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาปฏิวัติที่ไหนมันมีเรื่องอะไรกันไอ้คนนั่งดูอยู่ไม่รู้เรื่องคนั่งคิดอะไรอยู่เอาไอ้คนนั่งดูโทรศัพ์อยู่กลับไม่รู้เรื่องไอ้คนเดินไปเดินมากับีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีการปฏิวัติที่ไหนยางเร็วอะรพอมาถามไอ้คนนั่งดูไม่รู้เรื่องบุนั่งคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่มีสัมปชัญญะพอไม่มีสัมปชัญญะก็ไม่มีสติด้วยคือไม่มีสติรู้ว่าตัวเอ๋อเนี่ยหลงกำลังหลงไปคิดอะไรอยู่มันเลยเป็นของกู้การคือสติสั มันปกติแล้วถึงจะพิจารณาไปถึงปัญญาได้นี่ไงอย่างเนี้ยฟังลกตาตั้งแต่เย็นก็รู้เรื่องหมดเลยเนก็มีสอมัญญ์ญอยู่คือฟังลูกตาคุยกันก็รู้เรื่องหมดเลยตั้งแต่เย็นก็คุยกันรู้เรื่องแล้วก็สติรู้อยู่ว่าไม่ได้เมาเผลอไปไม่ได้เมาเผลนไปไม่ได้เมาเผลนไปคิดเรื่องอะไรทำมันเมาเผลนไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มาฟังกันในรู้เรื่องเดี๋ยวข้างในก็เมอเผลนไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วไม่ได้ฟังนะอู้ได้ยินอยู่แต่ไม่ร พอหลงขาดสติปุ๊บขาดสติขาดสมาธิก็ขาดปัญญาก็ขาดทำก็ขาดเป็นทุกข์คือไม่สามารถพนทุกข์ได้สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์ทำให้เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ได้สติเป็นมหาสติก็เป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นนิพพานพ้นทุกข์สติอันเดียวสติอันเดียวแต่สตินี้มันต้องคู่กับสัพพัญญาคเราเรียกคู่กับสติสัพพัญญาละไว้เป็ที่เข้าใจถ้าพูดถึงสติสติก็คือสติกับสัพพัญญาคือมีความรู้สึกตัวอย่างธรรมดานี่เลยปกติเลยในในขณะปัจจุบันะทําาออไรยู่มมีคว รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วสัมผัญยะแปลว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนี้เลยว่า กำลังทําอะไรอยู่ตอนเนี้เรากําลังคุยกําลังฟังกําลังโต้อตอบกาลังคุยธรรมะแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่ากําลังนั่งฟังอยู่ไม่ได้เมื่อเเพืนไปคิดอะไรออกไปอไอ้ตัวที่มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั ว, วเต็มพอมอยู่ในการฟังเรียกว่า ม, มีสัมปชัญญะคือเป็นสัมปชัญญะตามปกติเลยคือมีชีวิตอยู่เนี่ยทำงานสิ่งใดในขณะที่ปฏิบัติได้ความรู้ตัวอยู่ไม่ผิดพลาดไม่ใช่ว่าต้องไปเพิ่มความรู้ตัวซ้อนความรู้ตัวคือมันมีความรู้ตัวอยู่ในงานในกิจการที่ทำเนี่ยอย่างเป็นปกติไม่ต้องว่าไปเพิ่มมมคควววาารรูู้้้ตัซอน อเข้าใจมคือว่ากลัวว่าแบบเหมือนกับว่าพอเรียกว่า ต, ตอนนี้มีปัญญาปัญญาเนี่ยกลัวจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาที่ว่ามันไม่ใช่ปัญญาที่มันเกิดจากความจริงอย่างเงี้ยค่ะ ป, ญญปัญญาก็ปัญญาก็จะเกิดไงพอเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยในในขณะปัจจุบนันปุ๊บ พอมีการรู้สึตัวในปัจจุบันสติมันก็จะรู้แล้วว่ามีสติเหตุที่มีสติอยู่กับเพราะอะไรมันมีสติควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับรับรู้อยู่กับสิ่งปัจจุบันมันเลยใช้คู่กวบคู่กันคือมีสสะพัฒนญาณในการฟังเพราะท่านมีสติเลยฟังรู้เรื่องเหตุใดเล่าท่านมีสติก็เพราะว่าจิตมันไม่หลีไปเพ่บงบ้าน เพราะท่านอ่ะมีสติอยู่ถ้าไม่มีสติควบคุมจิตไว้นะจิตมันก็หนีไปเพลนนเออินพนเมอไว้เรือยคิดอะไรไมกเอาเสร็จแล้วเปไงเขาพูดเน่ยฟังรู้เรื่องไหมขอโทษทีไม่ได้ฟังอ่ะโอ้หูก็มีอยู่ตาก็มองเป่งเน่ะถ้าถามว่าเมืเกีก้เขาพูดว่าอะไรพอเอาไม้ส่งให้เมื่อกี้เขาพูดอะไรฟังรู้เรื่องไหมขอโทษทีไม่ได้ฟังมัวคิดอะไรอยู่อย่างนี้สติมันไม่ได้ควบคุมจิตไว้แล้วก็มันก็เลยไม่มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยว่า เนี่ยรู้สู้ทุกขพร้อมในการฟังเม่เรยใช้คู่การสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นคนปกตินี่เลยคนปกติธรรมดาธรรมดานี่เลยจะทำอะไรก็มีสติสัมปชัญญะวิสติสัมปชัญญะอยู่ที่รู้เรื่องในสิ่งที่กาลังคิดกําลังพูดกาลังทํากําลังฟังทุกขณะปัจจุบันเรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะธรรมดาธรรมดานี่เลยผมมีสติปุ๊บจิตใจมันไม่เลยเหม่อไม่เหม่อเพลินไปคิดฟุ้งซ่านอะไรให้เป็นทุกข์มันก็เลยเนี่ยเป็นสมาธิมันก็เลยไม่ไปหาเรื่องอะไรมาเลาร้อนอยู่ในใจ ถ้คืนนั่งอยู่นี่เอคิดกลับไปหาเรื่องครอบครัวเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสิใจร้อนแหละใจเป็นทุกข์แหละเพราะอะไรมันไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมปัจจุบันสติไม่ควบคุมจิตไว้สติควบคุมจิตไว้ไม่ใช่ว่าต้องควบคุมกวนแจเหมือนนักโทษก็คือถ้ามันไม่หลงไปก็ไม่มันก็ถือว่ามีสติแล้วโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเอาสติบอคอยควบคุมจิตแจเหมือนคุมนักโทษอะไรไม่ใช่คือเมื่อไม่หลงไปนั่งฟังรู้เรื่องมันไม่หลงกลับไปคิดเรื่องอะไรเป็นทุกข์ไม่ได้ส่งจิตออกนอกไปจากเรื่องในปัจจุบบบัััันนนนทีีีี่กกํําาาาาลลงงงออออยยููเเ้้้้้ว็็ปมมมสสตตติแโดร สมแล้วจปญญ้ปัญญามันก็รู้เรื่องในการฟังกันอยู่เนี่ยปัญญาก็รู้เรื่องในการฟังกันมันก็รู้เรื่องหมดเลยตอนนี้ฟังทำก็รู้เรื่องหมดทํางานก็รู้เรื่องในงานที่เรา ท, ทำหมดเลยเนี่ยอันนี้เวลาเราทํางานเราก็รู้เรื่องในงานที่ทําทั้งหมดแต่มันไม่พ้นทุกมันเลยต้องสติเนี่ยสังเกตด้วยสังเกตด้วยว่าจิตใจเราเนี่ยมาส่งจิตออกนอกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสิ่งที่มาสัมผัสหาธรรมอารมณ์คือใจสบายใจไม่สบายไปคิดอะไรอยู่เปล่ามันส่งไปหาอารมณ์หรือเปล่า รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็อาการของใจทุกชนิดที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดแต่เวลาพอเติมรูปเข้าไปเขาเลยเรียกว่ารูปบวกอารมณ์เลยเรียกว่ารู ป, ปารมณ์เพราะเสียงเสียงบวกกับอารมณ์คือสิ่งใดที่ถูกรู้เนี่ยเรียกว่าสิ่งใดที่ถูกรู้ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกว่าอารมณ์หมดเลยจริงที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยอารมณ์แปลว่าของขึ้นอารมณ์แปลว่าของขึ้นแต่ภาษาบาลีเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันคือเป็นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตดงนั้นรูปเนี่ยเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณกินเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณรสชาติที่กินเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณสิ่งที่มาตั้งผัดผิวกายเราตอนนี้เปิดแอร์เย็น เป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณแล้วก็อาการของใจคือเวทนาสัญญาสังขารคือความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจถ้าสุกใจก็เป็นสุขไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นกลางๆก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้แล้วสังขารก็ญญคือคิดปรุงปรุงคิดเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์ของใจ <c oughs> เป็นเครื่องรู้ของใจเรียกว่าเจตสิกหรือเรียกว่าธรรมอารมณ์อเราก็รู้แล้วว่ารูปบวกอารมณ์เป็นรูปลารมเสียงคือโสตบวกกับอารมณ์เรียกว่าโสตตารม กินก็คันธาคันธาบวกกับคันพะบวกกับอารมณ์ก็เรียกว่าคันธารมรสก็เรียกว่ารสารสาบวกกับอารมณ์หรือรสสาบวกกับอารมณ์ก็เรียกว่ารสสารลมสิ่งที่มาสั้งผ่าีติวกายเรียกว่าโพธะพระโพธะพระบวกกับอารมณ์ก็เรียกว่าโพธะพาลมธรรมะคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งในใจที่สามารถปรุงแต่งได้เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเรียกว่าธรรมะธรรมะบวกกับอารมณ์เลยเรียกว่าธรรมมารมอ่ะเพราเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะง่ายเลยตอนนี้ยเราก็ ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยให้มีสัมชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือให้บรรลุเรื่องในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่ให้ชัดเจนให้ถูกต้องเหมือนคนปกติทั่วไปส่วนจิตใ จ, จเนี่ยสติก็คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าจิตใ จ, จเนี่ยส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ไหมหาอารมณ์ก็คือส่งจิตออกนอกพุกขณะเนี่ยไปหารูปไปหารูปคือส่งจิตออกนอกไปเขา้าคอเคียรบคือถ้าถูกใจก็ไปเขา้ากอเคลือบคือไปดู อยากดูดเข้ามาหาตัวเองถ้าไม่พอใจก็อยากผักอยากดา่าอยากว่าอยากติฉินนินทาว่าายเสียงก็เหมือนกันถ้าถูกใจก็ดูดดืมถ้าไม่ถูกใจก็ด่าว่าใครมาทำเสียงดังวะดังขนาดนี้กินรถเหมือนกันสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายก็เหมือนกันอากาศร้อนอากาศเย็นมาทีออกไปก็นบน่นด่าว่าไม่ถูกใจร้อนจิบหายเลยอย่างเงี้ยสมมติ่เออแล้วก็ ดีอากาศเย witness, ็นก็อูยสดชื่นยิ่อยากให้มันเยนดีตลอดไปอยากให้มันสดชื SI ่นยิ่ตลอดไปไม่อยากให้มันร้อนอีกเลยอะไรเงี้ยก็อย่างงี้ก็จิตใจมันส่งออกปัญหาแต่อารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็อาการของใจโป่งโลคเบาวสบายเป็น B K สุขเวทนาไม่โป่งไม่โรคไม่เบาไม่สบายเป็นทุกขเวทนาอาการที่ไม่รู้สึกโป่งโลคเบาวสบายไม่ถึงกับไม่รู้สึกที่เป็นไม่โป่งไม่โรคไม่เบาวสบายเป็นอากาลางๆเรียกว่าอทุกขกรรมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเนี่ยก็ชอบดูดมาไหม ดูดคือเหมือนกับมือเนี่ยความก่หาตัวเรียกว่าดูดอยากได้เอาไว้ดูดเข้ามาอย่างเนี้ส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์นั้นหรือถ้าไม่ชอบใจัที่เป็นทุกขเวทนาอาการไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาอยากจะดิ้นรนผักใสอันนี้เลยไม่ชอบส่งจิตไปหาอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกไปหารมถ้าถ้าไปดูด อารมณ์เนี่ยหรือไปผักเหมือนเอามือถ้าดูดก็ดูดทำหมือเอามือเนี่ยถ้าดูดก็คืออยากดูดเข้ามาหาตัวเองก็ผักก็คืออยากทําลายอยากด่าอยากว่าอยากตีฉินนินทาว่าร้ายเขาอยากทำร้ายเขาอันนี้ก็คืออยากกําจัดให้หมดสิ้นไปเนี่ยคือถ้าทํามือสองมือในเกี่ยวกันเนี่ย ด, ด, ดูดกับผักดูดกับผักดูดกับผักเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์คือไปดูดกับผักอารมณ์ก็เป็นทุกข์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือโพธิภพแล้วก็ธรรมอารมณ์คืออาการน้องใจเนี่ยถ้าไปดูอยากไปดูดไปผักนนมันเข้าอัันนนนเเเี้้มจะปป็ททุุุกกกหติด ถ้าไม่ดูไม่ผักสิ้นทุกตัวนี้อะไรเราจะเห็นตรงนี้ได้ก็ตสติปัญญาเนี่ยสติสมาธิปัญญามันก็ใจมันสงบปุ๊บมีจัตุรัญญาอยู่ทุกตัวพร้อมในการกิจการทํางานที่ทําใจก็สงบอยู่สติก็สังเกตเห็นอยู่แล้วมันก็มีปัญญาเห็นอยู่ว่าเพราะใจมันสงบมันไม่วุ่นวายไม่ส่งจิตออกนอกมันก็เลยมีปัญญาสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยมันไม่ได้ส่งจิตออกนอกนะ มันเลยไม่ถูกขถ้าไปสรงจิตออกนอกไปหาอารมณ์ปุบอยากดูถ้าไปชอบใจอยากดูดเข้ามาถ้าไม่ชอบใจอยากผลักอยากกาจัดอยากหนาอยากว่าอยากติจินินทาวอะไรเ่ามันเป็นทุกข์อยากจะหนีอยางเช่น่าเราไม่พึงไม่พอพอใจครอบครัวอยากจะหนีออกไปอยากจะหนีอยากจะหนีมันก็เป็นทุกข์นะถ้าทั้งไม่ดูดไม่ผักสักแต่ว่ารู้ก็คนทุกข์ปัญญามันก็อ่านออกแล้วว่าเพราะอะไรมันมีต้องสติมีตั้งใจที่สงบมีต้องสัมปชัญญะรู้ตัวทั้งมในปัจจุบันปัญญามันอ่านออกตลอดเวลาว่า มันส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ไหมไปดูดไปผักไหมมันก็รู้ตัวเองแล้วว่าพ้ดูดตะผักก็ต้องทุกข์แน่นอนไม่ดูดไม่ผักแค่สักตวารุอ่าพลทุกข์ตอนนี้มันก็เลยพลทุกข์ทุกขณะปัจจุบันอดีตมันก็ไปจากปัจจุบันปัจจุบันไม่ดูดไม่ผักแค่สักตวารุดงนั้นอดีตที่ผ่านไปจากปัจจุบันมันก็เลยอดีตก็เป็นแค่ไม่ดูดไม่ผักแค่สักตวารุมันก็เป็นน้ําดีไล่น้าเสียเรื่อยไปไอ้น้ําเสียเก่าๆนี่มันต้องดูดต้องผักแต่ไอ้ที่บน มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสัมปชัญญายารู้ตัวทุกข์พรในปัจจุบันมันมีปัญญาเห็นแล้วว่าไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวัรู้ปล่อยผ่านไปอดีตมันก็เลยไปจากปัจจุบันที่ไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวัรู้ก็เป็นเขาเรียกว่านิพพานชั่วข้าวทุกขณะปัจจุบันแต่มันเป็นนิพพานต่อเนื่องกันทุกขณะจปัจจุบันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิพพานถาวรนี่อนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องห่วงมันเพราะว่าอะไรก็ป <im> ัจจุบันเนี่ยมันก็อดีต มันยืนพื้นที่ไม่ดูดไม่ผักแค่สัตวารุ้ปุ้ายมันเลยมาจบลงที่ปัจจุบันไม่ดูดไมผักแค่สัตวารู้พระุทธเจ้าตัดกับพายะแบบนี้พายะฟังจบบรรลุอรหันต์เลยไม่ดูดไม่ผักแค่สัตวารู้อีก็แปลมาสั้นๆพี่นะว่าพายะเธอสัตวารู้ได้เมื่อไหร่เน่ยพายะว่าจะบรรลุนิพพานทำไงสั้นๆจะจะบรรลุนิพพานสั้นๆครูพะเจ้าปรดเมตตาพระเจ้าบอกเออเห็นสัตว์ปะเห็นได้ยินสัตวะยินรู้แจ้งสัตวารู้แจ้งสัพตวรู้นั่นแอจะไมม่ีตตัวนของเธอ เธอจะสิ้นกิเลสผลทุกบรรลุนิพพานพยาฟาางจบบรรลุนิพพานเลยไม่ดูในฝากแค่สัตวัล